ลมหนาวมาจากเมืองจีนตามคนจีนมาที่นี่จริงๆอุณหภูมิก็ไม่ได้ต่ำกว่ากรุงเทพเท่าไรหรอกแต่ว่ามันสูงกว่าจุดนี้สูงกว่าน้าทะเลรนะ้อยสามสิบร้อยสามสิบเมตรกรุงเทพมันเตี้ยวกว่าน้ำทะเลแล้ว แล้วก็เป็นช่องเขาลมแรงเวลาเราไปยืนตากลมแล้วเราเสียความร้อนในตัวเราเร็วหนาวมากให้แก่ๆกวช็อกตายได้ง่ายๆเวลาผ่านไปเร็วนะจะปีหนึ่งละแป๊บเดียวเพิ่งปีใหม่ไม่นานนะ จะหมดปีใหม่อีกละจะถึงปีใหม่อันใหม่เราได้ทำอะไรบ้างผ่านไปตั้งนานแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างเปล่าส่วนที่ไม่ดีลดลงบ้างเปล่าเราภาวนาแล้ ว, วก็ค่อยวัดใจตัวเองไปไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหราว่าหนูภาวนาดีขึ้นไหม มันควรจะรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างหลวงพ่อภาวนานะลงพ่อเวัดใจตัวเองได้เรื่อยๆแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงปูดดุลจ์ิเลสจี่ส่วนจี่ส่วนเราลาได้เท่าไหร่แลวอะไรเงี้ยท่านก็โอฉลาดรู้ทันกิเลสของตัวเอง สังเกตตัวเองไปนะอย่างแต่เดิมกิเลสเราแรงเวลากิเลสเกิดเรายับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองไม่ได้โกรธขึ้นมาเนี่ยก็อารวาดเลยเราภาวนาแล้วเกิดขึ้นมาเราเห็นไหมมองเห็นลึกซึ้งลงไปอีกความโกรธเกิดขึ้นที่ไรนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจทุกทีนี่สังเกตไป รือราคะเคยรุนแรงหน้ามึดประเภทหน้ามึดภาวนาภาละพอราคะเกิดแล้วสติรู้ได้เร็วขึ้นไหมก็ดูไปว่าจะพัฒนาไหมถ้ารู้ทันกิเลสได้ว่องไหวขึ้นก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนี่พอเรารู้ทันกิเลสแล้วกนะิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสอะไรเกิดก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นปีเลย ก็ถือว่าด้อยพัฒนาอีกล่ะเวลากิเลสเกิดเรารู้ว่ามีกิเลสถ้าเราพาวนาดีขึ้นเราก็มองเห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเวลากิเลสเกิดแล้วใจเราชอบหรืใจเราไม่ชอบบางทีกิเลสเกิดเราชอบนะมีโดยเฉพาะตระกูลราคะเกิดแล้วเราสบายใจมีความสุขเราชอบไม่เห็นนะ ไม่เห็นก็ถือว่าไม่พัฒนาละทีแรกไม่เคยเห็นกิเลสมองเห็นกิเลสก็ถือว่าพัฒนาขึ้นพอเห็นกิเลสแล้วนะไม่เป็นกลางกับกิเลสเรารู้ว่าไม่เป็นกลางอันนี้ยพัฒนาใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางที่เราภาวนาไปเนี่นะเพื่อวันหนึ่งจิตจะพ้นจากความปรุงแต่ง แรี ว, ว่าวีสังขารพ้นจากความปรุงแต่งถ้ามันพ้นความปรุงแต่งมันก็พ้นจากตัณหาความอยากแล้วมีวิราคะด้วยมันพ้นจากอาสวะกิเลสหรือวมีมุตต์นี่เราคอยรู้ทันใจให้มันปรุงนะที่แรกมันปรุงกิเลสเขึ้นมาทำปรุงกิเลสเขึ้นมาแล้วกิเลสก็กลับเข้ามาปรุงแต่งจิตของเราอีก ให้เรารู้ทันว่ามันมาปรุงจิตของเราให้ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง ร, ารู้ทันแล้วความชอบความไม่ชอบจะดับไปจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการเป็นกลางด้วยการมีสติก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นความเป็นไตรลักณ์ของกิเลส เรื่อของสภาวะธรรมอื่นๆนี่ได้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตเรามีความชอบมีความไม่ชอบเรียกว่ามีอคติไม่เป็นกลางมีอคติลำเอียงเราจะเห็นสภาวะได้ไม่ชัดเจนใตเพราะใจเราปราศจากอาคติใจเราเป็นกลางเราจะเห็นสภาวะ ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่มีแอบลุ้นว่าจะให้สภาวะนี้เกิดขึ้นจะให้สภาวะนี้ดำรงอยู่จะให้สภาวะนี้ดับไปนะไม่มีลุ้นตัวลุ้นหรตัวตัณหานะอยากเนื่อค่อยๆสังเกตนะใจมันจะละเอียดประณีตไปลำดับลาดับไปตามทันไหมที่แรกหัดรู้สภาวะไปนะพอเห็นสภาวะแล้วก็รู้ทันจิต ที่เป็นปฏิกิริยาต่อสภาวะยินดีบ้างยินร้ายบ้างถ้รู้ทันความยินดีนร้ายก็ดับก็เป็นกลางเป็นกลางแล้วจิตก็จะเห็นสภาวะได้ตรงความจริงมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่มีไบเอสเหมือนเราไม่ได้ใส่แว่นตาสีดำํำมองโลกมันก็มองชัดขึ้นถ้าเรามีไบเอสเหมือนใส่แว่นตามีสีสี ้ใส่สีชมพูไปมาโรคหวานแหววอย่างเลียจิตมีราคาโรค ก, ก็หวานแหววไปวิงทีใส่สีแดงโกรธจัดใส่สีดำดหโมหะเยอะมืดงี้เงาดูอะไรไม่ออกนี่ถ้าใจเราไม่มีอคติจริงๆนะเป็นกลางจรนะิงๆเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็น นี่พอเราเห็นสภาวะทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นกลางเราเรียนรู้ความจริงของสภาวะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น น, นะต่อไปจิตมันจะมีปัญญามันจะเริ่มเห็นความจริงว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับกนะุศลทั้งหลายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดแล้วก็ดับ เราจะเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตรงนี้จิตก้าวมาสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแยกออกไหมที่แรกจิตชอบจิตไม่ชอบเรารู้ทันจิตเป็นกลางแต่นั้นเป็นกลางด้วยการมีสติรู้ทันตัวเองต่อมาพอจิตเป็นกลางด้วยการมีสติรู้ทันจิตใจตนเองอย่างท่องแท้แล้ว จิตก็เรียนรู้ความจริงโดยไม่มีอคติเรียนรู้ความจริงมากข้ามากข้าวในที่สุดจิตก็รู้ความเป็นจริงของสภาวะสภาวะทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วดับสภาวะทั้งหลายล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้ดับไปสภาวะทั้งหลายจะเกิดหรือจะดับเราบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัย ตรงที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับไปเรียเห็นอนิจจังเห็นสภาวะที่กำลังมีอยู่นะกำลังถูกบิดขันให้ดับไปเรียกว่าเห็นทุกขังเห็นทุกขตาตรงที่เห็นว่าจะมีสภาวะหรือจะไม่มีสภาวานะเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งนี่เรียกเห็นอนัตตานะอนัตตานะ ต, ตา อ, อนิจจตาทุกขตาอนัตตา เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นเห็นความไม่ใช่ตัวเรานะนนี้เห็นด้วยปัญญาแลใจก็เป็นกลางนะแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายตกอยู่ใต้ตรัลักษณ์รู้ไปด้วยความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายนะกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดี โลกรธโลงเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายเนี่ยจิตเป็นกลางเพราะมีปัญญาคนละชั้นกันนะเป็นกลางเพราะสตินะธรรมดาแต่ว่ามนุษย์ธรรมดาก็ไม่มีหรอกเราต้องฝึกฝึกเจนถึงจุดที่เป็นกลางด้วยปัญญาตรงที่เป็นกลางด้วยปัญญานี่เรียกว่าเรามีญาณที่เรียกว่าสังขารุเปกขายานมาจากคำว่าสังขาร คือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งดีและชั่วนะทั้งสุขและทุกข์ทั้งขัญทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะมีอุเบกขาทีนะ่เป็นกลางมียาที่ปัญญาเราจะฝึกตามรู้ตามดนะูด้วยจิตใจที่เป็นกลางไปเรื่อยกลางด้วยสติไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะเป็นเกิดปัญญา รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจของสุขของทุกข์ของดีของชั่วรู้ความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จใจมันจะเริ่มเข้าใจท่องแท้ขึ้นพอจิตใจเรา เข้าใจสภาวะตรงนี้แล้วเนี่ยมีทางแยกทางแยกที่หนึ่งอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าพอปัญญาตัวนี้เสื่อมไม่กลับมาไม่เป็นกลางอีกเนี่ยเคยภาวนาจะเป็นกลางแล้วก็กลับมาไม่เป็นกลางอีกก็ต้องภาวนาอีกนะกลับไปเป็นกลางใหม่ด้วยปัญญาเส้นทางที่สองสำหรับคนที่หวังพุทธภูมิ จิตเที่ยวถึงสังขารุเปกขาแล้วก็จะทรงอยู่ได้แล้วก็เสื่อมแล้วก็ทรงอยู่ตรงนี้นวันที่ไปพบพระพุทธเจ้าในอนาคตวันนั้ น, นจิตทรงสังขารุเปกขายานเต็มที่เลยพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นแหละแต่ว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวขอไม่บรรลุพระอรหันต์ขอเป็นพระพุทธเจ้า คนนี้ถ้าบา ร, รมีเต็มละสมควรละพระพุทธเจ้าก็จะพยากรให้ว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าวงคหนึ่งคนวันนี้ก็จามีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์ที่มั่นคงที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคนที่หวังเป็นพระโพธิสัตว์มีมหาศาลเลยนะโดยเฉพาะฝ่ายมหายานเนี่ยพขามุ่งเป็นพระโพธิสัตว์กัน แต่ว่าเป็นโพธิสัตว์แล้วที่ภาวนาไปปฏิบัติไปสร้างความดีไปแล้วมันเห็นแก่ตัวมันรักตัวเองขึ้นมาก็ไปไม่รอดนะนไปติดในความสุขไปเกลียดในความทุกข์ไปรักในความดีเกลียดในความชั่วอะไรอะชอบคนดีเกลียดคนชั่วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเจอพระพุทเจ้าก็ยังไม่ได้รับพยา ก, กรนานๆนนไปก็เหนื่อย ก็เลิกไม่เอาแล้วพุทธภูมิขอยกเลิกนอย่างทางมหายานนะคนหวังพุทธภูมินี้จำนวนมากแต่เป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรได้รับการรับรองพระพุทธเจ้าสแสมให้แล้วว่าคนนี้ได้แน่นอนก็เหลือจำนวนไม่มากพอจำนวนก็นลดลงพวกนี้ยังไงยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผล พอจิตมุ่งไปที่พุทธภูมิแนละ้วพอนาให้ตายก็ไม่บรรลุพอชวนจะบรรลุเนี่ยจิตมัน จ, จะถอนออกเพราะมันมีปณิธานหรือเรามีปณิธานบางอย่างไม่ต้องถึงพุทธภูมิหรอกอย่างเรามีปณิธานว่าเราจะช่วยพระพุทธเจ้ารักษาศาสนาไวส้สักช่วงหนึ่งอะไรย่างเงี้ยพอจิตมันเดินเข้าไป ถึงสางขารุเกเปขามันจะเข้าไปตัดเนี่ยจิตจะถอนออกเองนะเพราะงั้นวนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะให้ตั้งใจภาวนาไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดเข้าไปตัดหรอกไม่ตัดหรอกอยังไงก็ไม่ตัดบางคนมาบอกหลวงพ่อนะว่าผมวางพุทธภูมิผมไม่ภาวนาหรอกบอกงี้เง่าที่สุดเลย จะเป็นพระเทเจ้าเนี่ยคือจะฝึกไปเป็นครูของคนอื่นมันต้องเก่งกว่าคนอื่นในทุกๆด้านเนะพราะภาวนาต้องเก่งศีลต้องดีสมาธิต้องเลิศปัญญาต้องเฉียบแหลมแล้วไม่กล้าภาวนาเมื่อไหร่มันจะเก่งมันก็โง่อยู่อย่างนี้แหละนะยังไงก็ไม่ได้รับพยากรสักทีหนึ่งมันต้องภาวนาจนสุดขีดนะจนถึงขนาดว่าวันนั้นอนะ่ะที่พบพระพุทธเจ้าเนะี่ะพร้อมจะเป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะในั้ใครที่บอกวางพุทธภูมิแนละ้วบอกว่าไม่อยากปฏิบัติกลัวบรรลุอันนั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่พุทธภูมิตัวจริงอะ่ะมันคือพวกขี้เกียจภาวนาแล้วเอาไปพระโพธิสัตว์มาแกวนเอาไว้หลอกตัวเองหลอกคนอื่นเท่านั้นเองเนะนั้นใครวางพุทธภูมิจริงๆต้องหกตั้งใจภาวนาให้เต็มเหนียวเลยนะและเปล่าไม่หลุดออกไปหรอกหนะลวงพ่อก็เคยวางพุทธภูมิ แต่ว่าไม่ใช่หวังเพราะอยากช่วยสัตว์โลกทั้งหมดหรอกแต่อยากช่วยตัวเองเราตั้งใจไว้เวลาถ้าเราค้นไม่พบเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะยังไงเราก็ต้องพยายามค้นด้วยตัวเองนั้นค้นด้วยตัวเองจะต้องไปให้ได้เราไม่อยากจมอยู่ในกองทุกข์กองกิเลสอย่างเงี้ยใจมันมุ่งหวัง แต่พอเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เอาแล้วล่ะความมุ่งหวังอันนั้นนะอันนั้นเป็นความมุ่งหวังของคนซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ยอมแพ้นะไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมแพ้ไม่มีใครสอนก็จะต้องหาเอาเองนะในใจที่หลวงพ่อมันเป็นมาแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้แหลนะยังไงก็สูนะ้ถ้าไม่มีครูสอนเราจะไปด้วยตัวเอง แต่ถ้ามีครูสอนเราจะตามครูนะใจมุ่งอย่างนี้ส่วนให้ความเมตตากรุณาอะไรเนี่นเป็นเรื่องปกติถ้กิเลสเราลดลงความเมตตากรุณามันก็เพิ่มขึ้นเองแหละมันเป็นเองหลวพ่อพื้นเดิมหลวงพ่อขี้โมโหนะเป็นพวกโทสะจริตขี้โมโ ห, โหภาวนาไปเรื่อยๆนะใจมันก็หายโมโหไป มีเมตตาให้นมาแทนที่ครูบาอาจารย์องหนึ่งหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเป็นพระขี้โมโหะจริญนิสัยเจ้าโทสะเมอท่านภาวนาแล้วสุดท้ายโอ้ท่านมีความเมตตานับประมาณไม่ได้เลยนะเป็นเมตตาปรมัญญาเลยใจมันเป็นเองไม่ต้องแกล้งทําแล้วมันไม่ชั่วแล้วมันก็ดีของมันเองแหละ เพราะนเวลาที่เราภาวนานะเป็นจิตมีปัญญาเข้าถึงความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงนะมีทางแยกอันหนึ่งคือเสื่อมเสื่อมว่าเริ่มต้นภาวนาไปอีกจเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมไปมันไม่ใช่เสียหายจเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยมันคือการสะสมแต้มสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะค่อยๆแหลมคมขึ้นเรื่อยๆถึงเสื่อมลงมานะตอนที่เราภาวนาอีกเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาง่าย คลแต่เดิมเสื่อมทีหนึ่งสามปีต่อไปก็เสื่อมปีหนึ่งเสื่อมห้าเดือนหกเดือนต่อนะไปอาทิตย์นี้เสื่อมอาทิตย์นี้เจริญในอาทิตย์เดียวกันนะต่อไปสามวันเจริญนะแล้วก็อยู่นิ่งเฉยๆวันนึงแล้วเสื่อมสามวันเสื่อมอะไรเงี้ยแล้วค่อยเจริญขึ้นอีกในอาทิตย์เดี๋ยวนี้มีวงครอบเจริญแล้วเสื่อมอยู่ในตัวเองนะ ตานที่หลวงพ่อภาวนายังรับราชการอยู่ะหลวงพ่อสังเกตเลยจิตหลวงพ่อจะเลยแล้วเสื่อมหนึ่งรอบเนี่ยเจ็ดวันนะของเราเจ็วันเจ็ดเดือนเ <c oughs> นะ น, น, นี่ยในเจ็ดวันเนี่ยน ะ, จะเจริญแล้วเสื่อมหมุนอย่างนี้เลยหมุนอย่างเงี้ยนะขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงวนอยู่ยางเงี้ยแต่มันไม่ได้เสียหายทุกกล่าวที่มันหมุนไปเนี่ยนะ มันมีการเรียนรู้สติก็จะดีขึ้นดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นปัญญาก็จะดีขึ้นมันสะสมนะไม่ใช่เสื่อมแล้วสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างงั้นเราจะมีประสบการณ์เราภัวนาไปเรื่อยๆในวันเดียวกันเนี้ยจเจริญแล้วเสื่อมหมุนหะมุนหมุนหมุนอยู่นี่อะไรมันที่มันหมุนอยู่นี่วัตตะวัตตะมัเจริญแล้วเสื่อมตลอดไปละ าาอาภาวนาไปไม่เสียหายโรคเสื่อมครูบาจารย์บางองนะอาจารย์สิงทองนะั่งอาจารย์สิงทองท่านอุมั่นนะเนี่ยถือเป็นลกูกศิษย์หลวงตาด้วยหลวงตาเป็นที่เลี้ยงดูแลให้อาจารย์สิงทองทนะ่านบอกในการปฏิบัติมีแต่เจริญโรคเสื่อมหนะลวงตาท่านก็พูดเหมือนกันการปฏิบัตินะมีแต่เจริญโรคเสื่อมไม่มีเจริญลูกเดียวนะ่ะ เพระั้ถ้าพวกเราภาวนาแล้วมันเสื่อมก็อย่าตกตกใจนะมันธรรมดาแต่ถ้าเสื่อมเพราะชี้เกียรติเสื่อมเพราะไม่ภาวนานี่ควรจะตกใจนะแสดงว่าอินทรีย์เรายังอ่อนเหลือเกินมีการเลิกปฏิบัติแต่ถ้าเราภาวนาเต็มที่ทุกวันนะเต็มที่แล้วมันเสื่อมให้ดูทั้งๆที่ปฏิบัติเต็มที่เนี่ยสุดยอดเลยนะเสื่อมอันนั้นไม่ได้เสียประโยชน์แต่เสื่อมอันนั้นได้ประโยชน์ มันได้ประโยชน์ยังไงใจเราจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้จริงเลยเราไม่สามารถบังคับใจให้เจริญได้เลยเราไม่สามารถห้ามใจไม่ให้เสื่อมได้เลยนะใจจะเห็นใจรักของจิตได้ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะงั้นเราจเจริญปัญญาไป เ, นะไ ร, เรื่อยๆทำยังไงเจริญปัญญาหัดรู้สภาวะใช่หนะ รู้สภาวะแล้วถ้ายินดียินร้ายให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายก็รู้สภาวะดยความไม่ยินดียินร้ายด้วยสติสติเป็นตัวรู้ทันว่า ย, ยินดียินร้ายนะใจก็ไม่มีอคติใจก็สามารถเห็นสภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดใจก็เข้าใจความเป็นจริงนะว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับ ตัวนี้มีสังขารุปเปกขาจิตเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดงนั้นใจจะไม่หิวโหยความสุขไม่ได้เกลียดความทุกข์ไม่ได้หิวความดีไม่ได้เกลียดความชั่วเป็นกลางนะแล้วก็มีทางแยกสะสมไปแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วก็สะสมอีกทีแรกก็เสื่อมนานต่อไปก็เสื่อมสั้นลงสั้นลงสั้นล ง, น, ลงนะ จเจริญแล้ว เ, เสื่อมพวกหนึ่งหวังพุทธภูมิจเจริญเต็มที่นะล้เสื่อมได้อนะียังไงก็เสื่อมเพราะสังขารู้เปรยญายานเป็นโลกีย า, ยานนะยงเป็นโลกีย า, ยานเป็นปัญญาในขั้นโลกียะอยู่เสื่อมไดนะ้แต่ว่าเขาไม่เลิกเขาเด็ดเดี่ยวเขาสะสมไปเลยได้นะจนยินสีแก่กล้านะไปพบพระพุทธเจ้านะพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่เอานะ เกิดความกรุณาในสัตว์โลกไม่ใช่เพราะอยากใหญ่นะพวกที่บอกเป็นโพธิสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เพราะอยากใหญ่อยากมีความรู้กว้างขวางพวกนี้ไม่มีวันสำเร็จเพราะมันเห็นแคตัวแต่ถ้าอยากเป็นโพธิสัตว์เพราะความกรุณามีมหากรุณานะสงสารเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายเขาลาบากนะอยากช่วยเขาอยากสอนอยากแนะนาให้เขาพ้นทุกข์ ตัวเองจะลำบากยังไงก็ยอมอันนี้ใจพระโพธิสัตว์งั้นใครที่บอกตัวเองเป็นโพธิสัตว์ลองวัดใจเป็นโพธิสัตว์เพราะอยากดังเพราะอยากใหญนะ่เพราะอยากมีความรู้เยอะๆไม่ใช่ตัวปลอมนะไม่อยากชี้นะเโกรธนะี่ทางแยกที่สามทางที่หนึ่งจะเป็นปุถุชนอย่างเดิมนะ จเจิญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆทางที่สองเป็นเส้นทางของพระโพธิสัตว์ทางที่สามมันมาจากกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งั่นแหละที่จเจริญแล้วเสื่อมนั่นแหละสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะเจอทั้งปัญญามันแก่รอบจริงๆนะปัญญามแก่รอบจริงๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดามรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเสมอกันหมด สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดแล้วก็ดับเท่าๆกันรูปธรรมหรือนามธรรมเกิดแล้วก็ดับเหมือนๆกันหมดจิตชอบสู่ความเป็นกลางนะแล้วก็เห็นทุกอย่างเนีเท่าเทียมกันอย่างทองแท้มีคำว่าอย่างทองแท้พวกเราเนี้แหละถึงวันหนึ่งมันจะเป็นนะมันจะเป็นกลางเพราะมีปัญญาอย่างทองแท้ว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันเมื่อเห็นสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันนะ ใจจะหมดความดิ้นรนที่จะสแสวงหาความสุขหมดความดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์เมื่อเห็นดีกับชั่วเท่าเทียมกันก็จะหมดความดิ้นรนสแสวงหาความดีหมดความดิ้นรนที่จะหนีความชั่วตรงที่หมดความดิ้นรนเนี่ยเรียกว่าจิตไม่มีโลภะเจตนาลจิตของเราจะมีโลภะเจตนาอย่างเราปฏิบัติใช่ไหม อยากจะได้อยากจะดีนะมันมีความอยากแฝงอยู่มีโลภะเจตนานะความจงใจที่ปฏิบัติเนี่ยเจือด้วยโลภนะแต่ว่าพอถึงจุดที่มันเป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วปัญญาอินสีทั้งหลายแก่กล้าเต็มที่นะ่นะมันจะไม่อยากมันจะหมดความหิวโหยหงใจนะมันจะหมดโลภะเจตนานะพอมาใจเนี่ยมันภาวนาอยู่นะ โดยไม่มีโลภะเจตนานะตรงนี้คือประตูของอริยมรรคเพราะอะไรตอนที่เกิดมรรคผลเนี่ยจิตพ้นจากภพไม่มีภพนะจิตหลุดจากภพไปมันรู้อริยมรรคอริยผลภพเนี่ยเป็นโลเภะเป็นโลกจิตหลุดจากภพคือขึ้นโลกุตตะนะอะไรเป็นปัจจัยของภพนะนะเป็นอาหารเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงภพ โลภะเจตนาเป็นอาหารละปัจจัยที่หล่อเลี้ยงพบไว้นี่พอไม่มีอาหารให้มันพพนั้นก็ไม่เกิดขึ้นใจก็หลุดจากภพก็บรรลุมรรคผลได้งั้นเราจะภาวนาจริรทั่งหมดโลภะเจตนาที่จะปฏิบัตนะิตอนนี้ต้องมีไปก่อนนะอยู่ๆบอกหมดโลภะเจตนาที่จะปฏิบัติมันก็เกิดโลภะเจตนาที่จะหลงโลกนะ เพราั้นตอนนี้รอบไปก่อนรอบที่จะปฏิบัติไปก่อนนะมีตัณหาที่จะปฏิบัติไปก่อนในทางปริยัตเิเขาจะเรียกให้ฟังดูดีเขาจะไม่เรียกว่าตัณหานะให้รอบในทางดีเขาเรียกว่าฉันท้านะรอบในทางดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราเห็นความเหลื่อมกันนะถ้าตัณหาเนี่ยนะอยากได้ผลขี้เกียจทําเหตุ ถ้ามีฉันทะนี่นะมันขยันอัตโนมัตินะเพื่อมุ่งไปสู่ผลที่ดีมีเหตุที่ดีมุ่งทำเหตุที่ดีพึงพอใจที่ได้ทำเหตุที่ดีตัวนี้ตัวฉันทะส่วนตัวตัณหานะขี้เกียจทาเหตุแต่อยากได้ผลพวกเราเป็นไหมขี้เกียจทาเหตุแต่อยากได้ผลใครอยากถูกลอตเตอรี่บ้างแล้วก็ไม่เคยถูกเลยมีไหมไม่เคยถูกเลย เพราะอะไรไม่ได้ทำเหตุไหม้มีแต่โลกเฉยๆไม่เคยทำบุญทำทานอะไรมานะยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะอย่าเว้นซื้อมันให้ครบรอยเบอร์มันถูกแน่นอน น, ะนี่เป็นหลักคณิสัตร์เนะนี่ยค่อยๆฝึกไปนะนใจมันมีปัญญามันหมดความดิ้นรนหมดความหิวโหยหมดตัณหา หมดโลภะเจตนาที่จะบรรลุมรรคผลพอใจมันหมดความอยากแ้นมันรวมนะใจหมดความอยากก็ไม่อยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรแล้วนะจิตก็ทิ้งกามนะทิ้งกามอวาจรจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะเข้าอัปปนาเองแล้วจิตก็ไปเดินปัญญาขั้นสุดท้าย นะในฌานะจะเดินปัญญาขั้นสุดท้ายในฌานสองสามขณะเท่านั้นแวบแวบแวบแค่นะี้แล้วจิตก็จะวางอารมณ์ทั้งหลายนะที่มันเคยรู้เคยเห็นคือวางรูปนามทวนกระแสมันมีการทวนเข้ามาจริงๆนะมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ไม่ใช่เข้าหาจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เรายังเป็นโลกอยู่มันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวจิตผู้รู้นี้เป็นตัวโลกนะ เป็นโลกียะอยู่ังเป็นฝ่ายโลกียะคือตัววิญญาณวิญญาณชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่เรียกว่าจิตผู้รู้เป็นวิญญาณที่เป็นมหากุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องโน้มนาวชักชวนให้เกิดนี่นคือตัวจิตผู้รู้จะมีเวทนาสองอย่างมีโสมนัติมีความสุขกับอุเบกขาเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้จะมีความรู้สึกสองอย่างนะบางทีก็มีความสุขชวยขึ้นมาบางทีก็รู้เฉย นะตัวจิตผู้รู้แต่ตรงที่จิตมันวางรูปนามแล้วมันทวนกระแสเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาหาจิตผู้รู้แต่เข้ามาถึงาธาตรู้ไม่ได้มาห า, าธาตรู้ด้วยนะแต่เข้ามาแจ้งเข้ามาประจักษ์ในาธาตรู้นะาธาตรู้ไม่เหมือนจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้มีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการม า, นะาธาตรู้ไม่มี จุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไฟไม่มีการมาไม่มีขอบเขตยั ม, มีอีกสองคำนะอยากจะพูดแต่ว่าพูดไปแล้วมันจะเกิดข้อโต้แยง้งทางทฤษฎีนะไม่พูดดีกว่าพูดก็ได้ว่าไม่มีจุดติและอุบัติไม่เกิดไม่ตายแล้วนะพวกที่รู้จักแต่ จิตนะีก็จะจิตทุกอย่างเกิดแล้วตายตัวนี้มันไม่ใช่จิตนะมันเป็นตัวเป็นอามาตะธาตุเพราะนั้นบางทีครูบาอาจารย์หลวงปู่ ม, มั่นเรียกอามาตะธาตุอามาตะธรรมบางทีท่านก็เรียกอะไรต่ออะไรแต่ละองค์ก็เรียกต่างๆกันจิตมันเข้าถึงตัวนี้นะตัวเนี้ยของเราไม่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเหราะน้นการเข้าไปสัมผัสพระนิพพานนะนะ ไม่ได้ทำนิพพานให้เกิดนะแต่งานที่เราจะไปสัมผัสนิโรธเนี่ยเรียกส ah ัชกิริยาสัิกิริยาคือเข้าไปประจักษ์อันนี้จิตวางรูปนาม้นเข้ามาประจักษ์อมตรธาตุตัวนี้อมตรธาตุอมตรธรรมเข้ามาประจักษ์งั้นมันไม่ใช่การเกิดการตายค่อยๆฝึกไปสนุกสนุกนะ ภาวนาแล้วโหมันไม่รู้จะบอกอะไรเลยในโลกโลกนะความรู้ความสนุกในโลกนี้เรื่องขี้ขี้ความสุขในโลกนี่อย่างที่พวกเราวิ่งหากันเป็นหมาบ้าอยู่เนี้ยวิ่งพล่านพล่านอยู่เนี้ยนะเทียบกับความสุขของสมาธิเทียบกันไม่ติดเลยความสุขของสมาธินะเทียบกับความสุขของปัญญาเนี่ยเทียบกันยากเพราะลีลาไม่เหมือนกัน แต่ความสุขของสมาธิและความสุขของปัญญาเนี่เทียบไม่ได้เลยกับความสุขในโลกุตระท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขงังนิพพานเป็นบรมสุขไม่มีอะไรเสมอมันสุขจนขันนี่แทบรับไม่อยู่นะธาตุขันนี่แทบแตกเลยเวลาไปสัมผัสทีแรกนะ่ะจะอยู่อย่างนั้นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะเนี่ย หลวงปู่สุวัตท่านเล่าให้ฟังบอกท่านภาวนาภาวนานแล้วท่านรวบเอาจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วกว้างลงเหี่วไปเลยะท่านสลัดจิตผู้รู้ทิ้งไปนะแล้วท่านบอกว่าถัดจากนั้นเราก็ไม่มีไม่เป็ น, นเราก็ไม่มีไม่เป็นแต่เรามีความสุขท่านมาหาศารอยู่ปีกว่าๆแล้วจิตเราก็เป็นอุเบกขาเราก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีไม่เป็นอะไรนะ เป็นความไม่มีไม่เป็นอย่างเนี้ยก็เราให้ฟังเราฟังแล้วโอ้ยมันชะมัดเลยท่านก็มาบอกเราอีกวางไปเลยทิ้งไปเลยนะตัวจิตเนี่ยทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหรอกทิ้งไปเถอะเราก็มองหน้าท่านะท่านพูดง่ายดีกว่าถ้าเราทิ้งได้เราก็ทิ้งเหมือนกันนหะแต่มันทิ้งไม่ได้มันเสียไดนะ้เสียได้จิต เพราะอะไรเพราะมีจิตนี่แหละถึงได้เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เให้ทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ทิ้งง่ายนะวันนี้เล่าให้ฟังนะว่าภาวนาไปแลกดูสภาวะนะรู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะด้วยสติจิตก็เป็นกลางรู้ทุกอย่างไปด้วยความเป็นกลางนะจนกระทั่งจิตมีปัญญาเป็นกลางจริงๆ เมื่อจิตมีปัญญาเป็นกลายจริงๆแล้วจิตจะไม่ดิ้นรนไม่มีตัณหาไม่มีโลภะเจตนาพอไม่มีตัณหาไม่มีโลภะเจตนาภพก็ดับเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดภพพอไม่มีตัณหาไม่มีโลภะเจตนาภพก็ไม่เกิดเราก็เข้าสู่โลกุตละเข้าสู่โลคุตละแล้วก็จะสัมผัสพานิพานเราจะพบสิ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่เกิดที่ดับของโลก ไปนะกินข้าวไปนิมอนนะครับ